ย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสงให้สามัคคีกัน